ภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายให้กับพวกเราชาวพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพื่อมั่เพื่อผลเพื่อพระนิพพานเพื่อประโยชน์ ของพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปนานๆ น, น, นั้นมีอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริยัติข้อที่สองคือการปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติข้อที่สามคือการบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทและข้อที่สี่คือการเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้อื่นต่อไป นี่คือภารกิจของชาวพุทธเราทุกคนที่จะยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นดังที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ในพระปัจ ช, ชิมโมว่าตอนที่จะจากพวกเราไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา จงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดประโยชน์ของตนก็คือการศึกษาการปฏิบัติและการบรรลุธรรมประโยชน์ของผู้อื่นก็คือการเผยแผ่ธรรมที่ได้บรรลุนี้แล้วให้แก่ผู้ผู้อื่นอีกตออ่อหนึ่ง ผู้อื่นพอได้ยินได้ฟังธรรมของผู้ที่ได้บรรลุธรรมก็จะสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสามารถรับผลได้เช่นเดียวกับผู้ที่ผู้ที่สั่งที่สอนนี่คือภารกิจของชาวพุทธเราที่พวกเราทุกคนควรที่จะรู้กัน และควรที่จะปฏิบัติกันภารกิจเหล่านี้ต้องปฏิบัติกันเป็นขั้นขั้นกันไปจะข้ามขั้นไม่ได้ถ้าข้ามขั้นแล้วก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาเช่นศึกษาแล้วก็ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นโดยที่ตอนเองยังไม่ได้ปฏิบัติ ยังไม่ได้บรรลุผลการศึกษาเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถที่จะเอาความจริงของพระธรรมออกมาเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นได้เพราะผู้เรียนเองก็ยังไม่เห็นความจริงของพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้ศึกษาได้จากการศึกษาต้องมีการศึกษา แล้วมีการปฏิบัติแล้วก็มีการมีการบรรลุธรรมแล้วถึงจะค่อยนำมาปเผยแผ่สั่งสอนทำที่ตนเองได้รู้ได้เห็นแล้วก็จะสั่งสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำผู้ที่ศึกษาได้ยินได้ฟังก็จะไม่สับสน ก็จะสามารถนำเอาไปปฏิบัติและบรรลุถึงผลได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่ควรที่จะข้ามขั้นข้ามตอนบางท่านก็ไม่ศึกษาเลยปฏิบัติเลยโดยที่ไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าก็นอย่างไรพอจะนั่งสมาธิก็นั่งหลับตาเลยพอหลับตาแล้วก็เห็นนู่นเห็นนี่ ก็ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ไปทั้งทั้งที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่าสักหน่อยแต่เราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็เอามาสั่งสอนให้คนอื่นปฏิบัติตามคนอื่นนั่งก็เห็นอย่างน้นเห็นอย่างนี้กันแต่การเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจ เพราะมันเป็นเห็นของหลอกของปลอมของที่ไม่มีคุณค่าต่อจิตใจคือการเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดจากการนั่งสมาธินั้นไม่สามารถที่จะทำให้จิตได้หลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถที่จะ ฆากเกเรตตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็ไม่ได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนปฏิบัติตามความรู้สึกนึกคิดหรือตามที่ได้ยินได้ฟังมาที่ไม่ถูกต้อง ไม่ได้ยินจากพระพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินจากคนนั้นคนนี้แล้วก็นำเอามาปฏิบัติผลก็เลยไม่เกิดผลคือมากผลทิ่พาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่เกิดแล้วก็นำมาไปสั่งสอนให้ผู้อื่นก็สั่งสอนแบบผิด ทำให้ผู้เหตุผู้อื่นหลงผิดตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเช่นเดียวกันสิ่งที่ควรจะกระทำก็ทำแบบที่พระพุทธเจ้าได้สรงปฏิบัติมาที่พระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติมาสิ่งแรกที่ท่านกระทำกันก็คือท่านศึกษากัน ศึกษาวิธีที่จะทำให้จิตได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันท่านก็ทราบว่าต้องทำบุญทำทานต้องสละสมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ออกไปรักษาศีลไปบวชไปรักษาศีลเพื่อที่จะได้มีเวลาภาวนา สมถภาวนาคือนั่งสมาธิทำใจให้สงบวิปัสนาภาวนาสอนใจให้พิจารณาให้เห็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรานี่แหละเป็นการศึกษาที่ถูกต้องอต้องศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่มีจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือมีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือพระสาวกท่านนาเอามาถ่ายทอดให้กับผู้ฟังผู้ศึกษาอีกทอดหนึ่งต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรบ้างต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทาทานอย่างไรสอนให้รักษาศีลอย่างไร สอนให้ภาวนาอย่างไรเมื่อรู้แล้วจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องผลคือปฏิเวสก็จะปรากฏขึ้นมาเหมือนกับผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับอย่างแน่นอนไม่ต่างกันถ้าเหตุเหมือนกันผลก็จะต้องเหมือนกันถ้าปลูกข้าวเราก็จะได้ต้นข้าว ถ้าปลูกส้มเราก็จะได้ผลส้มปลูกอะไรเราก็จะได้อย่างนั้นถ้าเราปลูกทานศีลภาวนาเราก็จะได้มรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกัน อย่างวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาฝึกศึกษากันมาฟังเทศฟังธรรมกันมาศึกษาเพื่อให้รู้ว่าควรจะทำอะไรก่อนควรจะทำอะไรหลังขั้นตอนขั้นแรกก็ต้องฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนฟังวิธีการปฏิบัติว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างเช่นการทำทานคือการให้ ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองแก่ผู้อื่นเป้าหมายของการทำทานที่แท้จริงก็คือต้องการสละเงินทองไปหมดเลยเพราะเงินทองนี้เป็นเหมือนกับสมอเรือที่จะไม่ให้เรือวิ่งไปไหนมาไหนได้เวลาที่จอดเรือทอดสมอแล้ว เรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำถ้าต้องการให้เรือล่นลอยไปก็ต้องถอนสมอนั่นเองถ้ายังไม่ถอนสมอเรือก็จะไปไหนไม่ได้ฉันใดผู้ที่ยังหาเงินหาทองยังใช้เงินใช้ทองยังรักเงินรักทองยังหวงเงินหวงทองอยู่ ก็จะไม่สามารถไปพาณิพานได้ไม่สามารถไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้คือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้าปฏิบัติก็อาจจะได้เป็นบางครั้งบางเวลาเช่นไปปฏิบัติครั้งละสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างเดือนหนึ่งบ้างแต่แล้วก็ต้องกลับมา ดูแลทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางออกไปได้ระยะทางระยะหนึ่งแล้วก็ต้องวกกลับมาใหม่ก็จะไม่สามารถไปถึงพานิพานได้ถ้าต้องการไปพานิพานก็ไปแบบไม่กลับเลยถอนสมอเรือแล้วก็วิ่ง เลื่อไปให้ถึงพระนิพพานเลยไม่กลับมายุ่งเกี่ยวกับการดูแลรักษาสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆยกให้คนอื่นไปเลยอย่างพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติเลยไม่เคยฝันไม่เคยคิดถึงพระราชสมบัติหลังจากที่ได้เสด็จออกจากพระราชวังไป ไม่เคยกลับไปตรวจดูว่าตอนนี้สมบัติเป็นอย่างไรปลอดภัยดีหรือไม่ไม่สนใจเลยไปแบบไปแบบไม่หันหลังกลับไปเพื่อที่จะไปพระนิพพานไปเพื่อไปศึกษาวิธีที่จะทำให้จิตดุดพ้นจากกองทุกข์แล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้จิตดุดพ้นจากกองทุกข์ นี่คือการทําทานวันนี้ผลนเริ่มมาอีกแล้วใครอยากจะขยับ ก, ก็เชิญตามสบายข้างบนนี้ก็ขึ้นมาได้ศาลา2ชั้นก็ไปได้มีขึ้นมาที่ตรงไหนว่างก็นั่งได้ยกเว้นตรงที่มันตรงกับกล้องเพราะต้อง ใช้ในการถ่ายทอดอนั่งเข้ามาได้อยากคิดว่าเดี๋ยวฝนก็หยุดจะมั้งเทวดาทดลองใจหน่อยอไม่ต้องปูเสือ่ะไม่ต้องปูเสือ่อนั่งได้พื้นสะอาดอะจะแสดงธรรมก็ต้องรอให้ทุกคนนั่งสงบก่อนเพราะว่าพูดไปแล้ว มีการเคลื่อนไหวมีการกระทําอะไรต่างๆก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการแสดงก็ต้องรอให้ทุกอย่างสงบก่อนการฟังธรรมกายวาจาใจต้องสงบถึงจะได้รับประโยชน์กายวาจาก็คือศีนความสงบของกายวาจาเรียกว่าสีน นั่งเฉยๆไม่พูดไม่คุยกันส่วนใจก็ไม่คิดถึงเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับธรรมที่กําลังฟังอยู่อย่าไปคิดถึงเรื่องฝนตกมันจะตกก็ปล่อยมันตกไปถ้าเราจะฟังธรรมเราก็ฟังเสียงธรรมอย่าไปฟังเสียงฝนช่างหัวมันฝนมันจะตกก็ตกไปเดี๋ยวอาบน้ามันก็เปียกเหมือนกัน เวลาอาบน้ำเปียกมากกว่านี้ไม่เห็นเดือดร้อนเลยนี่เพียงแต่ฝนไม่กี่หยดก็วิ่งหนีกันก็ได้พูดถึงเรื่องภารกิจที่เราชาวพุทธต้องทำกันคือต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราก็ททำอะไรกันบ้าง เมื่อรู้แล้วว่าต้องทำศีลสมาธิปัญญาต้องทำทานศีลภาวนาเราก็นำเอาไปปฏิบัติกันตอนต้นเรายังอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้เต็มร้อยอาจจะทำได้เล็กๆน้อยๆชิมรางไปก่อนทดลองดูก่อนว่าถ้าเราเสียเงินเสียทองสละเงินสละทองไปแล้ว เราจะรู้สึกอย่างไรดีขึ้นไหมจิตใจสบายขึ้นไหมถ้าดีแล้วก็ จ, จะทำมากขึ้นไปรักษาศีลแล้วดีกว่าไม่รักษาศีลหรือไม่ลองเปรียบเทียบดูภาวนานั่งสมาธิกับการไม่ได้นั่งสมาธิอันไหนจะดีกว่ากันพิจารณาด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราดีกว่าไม่ได้พิจารณาหรือไม่พิจารณาแล้วใจปล่อยวางได้หรือไม่ใจตรงได้หรือไม่ตองแล้วสบายหรือไม่นี่คือการเริ่มต้นของพวกเราเราก็ทําจากน้อยไปหามากก่อนไม่มีใครพอเริ่มปฏิบัติก็สละเงินทองออกบวชกันเลย ตอนต้นก็ปฏิบัติกันไปทดลองไปก่อนถ้ากินอาหารก็เหมือนกับชิมอาหารก่อนลองตักขึ้นมาสักช้อนหนึ่งลองชิมเข้าไปดูดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรถ้าถูกปากถูกคอก็จะกินกันอย่างเต็มที่ได้ต่อไปการเริ่มต้นของพวกเราก็คือเรามา ลอาทำบุญทำทานกันแบ่งปันเงินทองเข้าของที่เราไม่อยู่ให้แก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอแล้วก็ลดความโลภอยากได้เงินได้ทองอยา่าอย่าไปอยากร่ำอยากรวยให้เห็นว่าเงินทองนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงกับเรา มีแต่จะทำให้เราต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราจะเอาเงินทองนี้ไปตอบสนองกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆซึ่งเป็นเหมือนกับการก่อพบก่อชาติการกระทำตามความโลภตามความอยากนี้เป็นการต่อพบต่อชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าความโลภความอยากนี้เป็นเหตุ ให้มีการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองแต่ถ้าเราไม่เอาเงินทองมาซื้อมาใช้มาทำตามความโลภความอยากก็เท่ากับการตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปแทนที่จะเอาเงินทองอย่างวันนี้เอาเงินทองไปเที่ยวก็ามาทาบุญที่วัดกันมาฟังเทศฟังธรรมกันความอยากเที่ยวก็จะถูกตัด ออกไปวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวมันก็จะทําให้การอยากไปเที่ยวนี้มันอ่อนกําลังลงไปแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้มาที่นี่เราเอาเราไปเที่ยวกันเอาเงินทองไปเที่ยวกันมันก็จะทําให้เกิดความอยากเที่ยวเพิ่มมากขึ้นไปพอวันนี้ได้เที่ยวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าก็อยากจะเที่ยวต่อเพราะมันจะ ดูดกันไปดึงกันไปถ้าเราไม่ไปเที่ยวมันก็จะดึงให้เราไม่อยากจะเที่ยวทำให้ความอยากเที่ยวนี้น้อยลงไปอยากมาวัดมาทำวุญแทนอยากมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมอยากมาปฏิบัติกันแทนดังนั้นในเบื้องต้นขอให้พวกเรามาลองทำทานกันดู พยายามผืนความอยากต่างๆที่จะใช้เงินทองไปซื้อหรือไปทำอะไรต่างๆให้คิดว่าเป็นเหมือนกับไปซื้อยาเสพติดการซื้อยาเสพติดนี้ถึงแม้จะให้ความสุขกับเราตอนที่เราเสพแต่มันจะทำให้เราติดและถ้าวันไหนเราไม่มีเงินที่จะซื้อยาเสพติดวันนั้นก็จะเป็นวันที่เราทุกทรมานใจ แต่ถ้าเราไม่ไปซื้อยาเสพติดเราก็จะไม่ติดยาเสพติดการเอาเงินมาทำบุญนี้เป็นเหมือนกับการมาซื้ออาหารให้กับจิตใจเวลาทำบุญทาทานแล้วใจเราจะรู้สึกอิ่มเอมีความสุขมีความพ อ, อะจะไม่มีความอยากที่จะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มฟวยต่างๆเอาเงินไป เที่ยวตามสถานที่ต่างๆอันนี้ทดลองทำดูแล้วดูเสว่าจะเป็นอย่างที่ได้ยินได้ฟังนี้หรือไม่พ อ, อเราเางินมาทำบุญมากขึ้ น, นบ่อยขึ้นความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อความสุขต่างๆก็จะน้อยลงไปเบาลงไป แล้วทำให้เราไม่ต้องมีความอยากที่จะหาเงินมามากเพราะเราไม่รู้จะเอาเงินไปซื้ออะไรทำอะไรเพราะจะไม่มีความอยากซื้ อ, อยากทำอะไรอยากมาวัดนะแล้วพอได้ยินได้ฟังว่าความสุขที่ดีกว่าเกิดจากการนั่งสมาธิที่เกิดจากการทำใจให้สงบพอเรามาลองนั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกันได้ เราก็จะเห็นว่าความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิดีกว่าการเอาเงินไปซื้อของต่างๆตามความอยากทาเงินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็จะทำให้ไม่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่อไปเพราะได้รู้จากวิธีสร้างความสุขที่ดีกว่าโดยที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทอง แต่ต้องใช้เวลาต้องมีเวลานั่งสมาธิต้องมีเวลาไปอยู่ตามที่สงบเพราะสถานที่สงบจะเอื้อต่อการนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้มีความสุขจากการนั่งสมาธิเราก็จะไม่อยากจะหาเงินหาทองไม่อยากจะใช้เงินใช้ทองเพราะเห็นว่ามันวุ่นวายมันยุ่งยาก ความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองนี้ชั่วแป๊บเดียวก็หมดแล้วไปซื้อของมาปป๊บหนึ่งมันก็หมดไปแล้วเงินก็หมดความสุขที่ได้จากการซื้อของก็หมดไปแต่กว่าจะหาเงินมาได้ซักบาทหนึ่งนี้มันแสนยากแสนเหนื่อยดูแล้วมันไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยสู้เอาเวลามานั่งสมาธิทำใจให้สงบดีกว่า พอใจสงบแล้วก็มีความสุขที่ดีกว่าและเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าเป็นความสุขที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องมีเงินมีทองแม้แต่ร่างกายเราก็ไม่ต้องใช้ในการสร้างความสุขทางใจร่างกายแก่ร่างกายเจ็บเราก็ยังสามารถสร้างความสุขทางใจ ยังสามารถทำสมาธิทำใจให้สงบได้เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมกับความสุขที่ต้องใช้เงินทองซื้อมาพอเราเห็นความแตกต่างเงินแล้วเราก็จะเลิกใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆเราก็เราก็เลิกหาเงินหาทองได้ ไม่ต้องไปทำงานเอาเวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบก็ได้ความสุขที่ดีกว่าเงินทองที่ได้จากการทำงานเงินทองที่ไปซื้อความสุขนั้นสู้ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ได้พอเราสามารถทำอย่างนี้ได้เราก็อยากจะทำอย่างเต็มที่อยากจะทำอย่างตลอดเวลา เราก็เลยสละการคองเรือนไปออกจากเพศของขารวาดไป mm. เงินทองมีมากน้อยที่เหลืออยู่ mm. ก็ยกให้คนอื่นไปเ mm. พราะเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องจะต้องใช้เงินทองแล้วเพราะเรามีวิธีสร้างความสุขขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองและเป็นความสุขที่ดีกว่าจากการ ใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆมานี่คือการปฏิบัติของพ่อพทธเจ้าและของพระสาวกทั้งหลายท่านก็พยายามานั่งสมาธิกันแล้วก็หยุดการใช้เงินทองเอาเงินทองมาทำบุญแทนถ้ามีก็เอามาทำถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำ แต่ถ้ามีเงินทองไปเที่ยวมันก็ต้องมีเงินทองมาทาบุญก็เอาเงินทองที่จะไปเที่ยวนี่แหละมาทาบุญแทนเพื่อที่จะได้ตัดความอยากเที่ยวให้มันน้อยลงไปแล้วทำให้การอยู่เฉยๆนั้นไม่ทุกข์ทรมานใจเพราะไม่มีความอยากที่จะไปเที่ยวแล้วจะทำให้การนั่งสมาธินี้ได้ผลดี ถ้าใจยังมีความอยากเที่ยวอยู่เวลานั่งสมาธิมันจะไม่สงบเพราะความอยากเที่ยวมันจะมาคอยดึงให้ไปเที่ยวนั่นเองนั่งก็รู้สึกติดอัดลำคานปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ไม่เหมือนกับนั่งดูละครนั่งดูทีวีนั่งดูภาพยนตร์นั่งเล่นไพน่ไม่รู้สึกติดอัดนั่งได้ทั้งคืนเพราะว่ามันเป็นการหาความสุข แบบที่ต้องใช้เงินทอง <Yeah. S 1> พอมาหาความสุขแบบไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เลยรู้สึกอึดอัดเพราะมันเหมือนกับถูกบังคับให้หยุดยาเสพติดนั่นเองให้หยุดหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายพอไม่ได้หาความสุขจากยาเสพติดคนที่เสพมันก็จะต้องรู้สึกอึดอัดทรมานใจนั่นเอง แต่ถ้าเราสามารถควบคุมความรู้สึกนี้ไม่ให้มันมาลบกวนเราได้สามารถหยุดความคิดความอยากต่างๆได้ด้วยการเจริญสติเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราสามารถอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปได้ไม่นานความรู้สึกหริต อ, อัดมันก็จะหายไปแล้วความสงบก็จะเข้ามา ความสบาย อ, อกความสบายใจมันก็จะเข้ามานี่คือการปฏิบัติในเบื้องต้นเปลี่ยนวิธีการใช้เงินแทนที่จะเอาไปเที่ยวเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นต่างๆให้เอามาทำบุญทำทานแทนแล้วใจจะได้หยุดความอยากเที่ยวอยากซื้อของต่างๆซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วจะทำให้เวลามานั่งสมาธินี้จะไม่อึดอัดมากก็ยังมีความอึดอัดอยู่แต่มันไม่มากเหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำบุญเลยคนที่ไปเที่ยวแล้วจะมานั่งสมาธินี้ยากมากเช<ร>่นเมื่อคืนนี้ไปเที่ยวแล้ววันนี้จะมานั่งสมาธินี้มันไม่สามารถจะนั่งได้เพราะมันไปคนละทิศคนละทางกัน การไปเที่ยวนี้เป็นการส่งจิตออกข้างนอกดึงจิตออกข้างนอกการนั่งสมาธินี้เป็นการดึงจิตเข้าข้างในมันไปคนละทางกันถ้าเราไปเที่ยวมันอยากจะไปออกข้างนอกเวลาจะให้มันเข้าข้างในมันเลยยากเพราะมันพยายามจะดึงจิตให้ออกไปข้างนอกความอยากเที่ยวมันจะคอยดึงให้ออกความอยากให้ใจสงบที่จะดึงมันเข้าข้างในก็ทาให้ทาได้ยาก พรอนหนึ่งกำลังที่จะดึงจิตเข้าข้างในก็มีน้อยสิ่งที่จะดึงจิตเข้าข้างในเรียกว่าสติเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นการดึงใจเข้าข้างในเป็นสติแต่เราพุทโธกันไม่ได้กี่คำก็หายไปละเดี๋ยวก็ไปคิดถึงที่เที่ยวที่เล่นเดี๋ยวก็คิดถึงสิ่งที่อยากจะดูคิดถึงสิ่งที่อยากจะฟังพอคิดแล้วมันก็พุทโธไม่ออก พอคิดแล้วก็เกิดความอยากไปเที่ยวอยากไปดื่มอยากจะไปรับประทานอะไรต่างๆนั่งได้ไม่กี่นาทีก็ต้องยกถุงขาวเพราะทนนั่งต่อไปไม่ได้นั่งแล้วมันไม่สงบนั่งแล้วมันมันทรมานใจนั่นเองเพราะไ ม, ม่สามารถดึงพุทดึงใจให้เข้าข้างในด้วยพุทธโทได้เพราะพุทธโทมีกำลังน้อยมากเพราะยังไม่ได้สร้างพุทโธขึ้นมา ผู้ที่จะนั่งสมาธิได้นี่ต้องฝึกต้องสร้างพุทโธขึ้นมาก่อนที่จะมานั่งเช่นพอตื่นขึ้นมาก็ต้องท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเวลาทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้ให้ท่องพุทโธไปอย่าปล่อยให้คิดถึงขนมนมเนอยอย่าให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อย่าไปคิดถึงสิ่งต่างๆที่จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาเอาพุทโธพุทโธหยุดเปนไว้ท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็พุทโธก่อนที่จะลุกขึ้นเลยนอนอยู่ก็พุทโธลุกขึ้นมานั่งก็พุทโธลุกขึ้นมายืนก็พุทโธเดินไปทำอะไรก็พุทโธไปอาบน้ำอาบท่ากบพุทโธล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธ ผีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปถ้าทําอย่างนี้มันจะสร้างกําลังของสติให้มีมากขึ้นที่จะสามารถใช้ต่อสู้กับความอยากที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้แล้วก็พอมีเวลานั่งสมาธิก็จะสามารถนั่งได้อย่างไม่รู้สึกอึดอัดถ้าเราสามารถ ท่องพุทธโธบริกรรมพุทธโธไปได้อย่างต่อเนื่องความอยากที่จะไปทานู่นทานี่มันก็จะถูกกาจัดไปถูกกดไว้ด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบแล้วก็จะเห็นความสุขพบความสุขที่ดีกว่าความสุขที่จะได้จากการไปทาตามความอยากต่าง ถ้าเราได้ความสงบเพียงครั้งเดียวเราจะมีกำลังใจอย่างมากที่จะฝืนความอยากที่จะต่อสู้กับความอยากที่จะมานั่งสมาธิเพื่อทาใจให้สงบให้มากขึ้นที่จะมันจะเจริญสติอยู่เรื่อยๆจะมันพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามใจมีพุทโธพุทโธคอยกํากับอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าการปฏิบัติก็จะก้าวหน้าจะนั่งสมาธิได้มากขึ้นได้นานขึ้นได้บ่อยขึ้นจนถึงอยากจะนั่งทั้งวันทั้งคืนไม่อยากจะทำอะไรนอกจากนั่งกับเดินถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินถ้าเดินแล้วเมื่อยก็กลับมานั่งเพราะว่าเวลานั่งแล้วมันมีความสุขเหมือนกับได้ไปเที่ยวสวรรค์ ดีกว่าไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องอหยุดการใช้เงินใช้ทองกันหยุดหาเงินหาทองกันเพราะถ้าเราเอาเวลาไปใช้เงินใช้ทองไปหาเงินหาทองเราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันมาเจริญสติกันมาบริกรรมพุทโธพุทโธกัน นี่คือขั้นต้นขั้นที่หนึ่งก็คือให้เราเอาเงินทองที่จะไปซื้อความซื้ออะไรตามความอยากต่างๆนั้นเอามาทำบุญแทนมาวัดกันมาวัดแล้วมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญมานั่งสมาธิกันอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นแล้วต่อไปเราก็นำเอาไปปฏิบัติมากขึ้น ไม่ใช่จะจะมานั่งฟังเทศฟังธรรมหรือนั่งสมาธิเฉพาะเวลาที่เรามาวัดเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้เราสามารถฟังเทศฟังธรรมได้ทุกแห่งทุกคนเรามีสื่อต่างๆมีหนังสือมีซีดีมีมือถือที่เราสามารถที่จะรับถ่ายทอดฟังการถ่ายทอดสดหรือการาบันทึกภาพและเสียงที่เราสามารถเปิดฟังได้ เราอยู่บ้านเราก็สามารถนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปได้ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆเราจะได้ความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติที่ดีขึ้นและจิตใจของเราก็จะสงบมากขึ้นจนทําให้เรามีความสามารถที่จะปฏิบัติได้มากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขีดว่า ถึงเวลาที่จะต้องออกบวชเพราะรู้ว่าการอยู่ในเพศของคาราสนี้มันมีอุปสรรคมากมายเพราะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติทําได้อย่างเต็มที่ออพออยากจะปฏิบัติทําอย่างเต็มที่ก็พร้อมที่จะสละเงินทองไปเข้าวของเงินทองอะไรต่างๆที่มีอยู่ ก็จะยอมสละยกให้คนอื่นไปเพราะต้องการที่จะไปอยู่คนเดียวต้องการมีเวลาที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ น, นั่นเองนี่คือสาเหตุของผู้ที่สระทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแล้วก็ออกไปบวชกันไปปฏิบัติธรรมกัน เพราะว่าการปฏิบัติของเขาได้เจริญก้าวหน้าไปถึงขีดที่เขาต้องเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอยู่กับบ้านอยู่แบบคารวสนี้มันไม่พอเวลาไม่พอและเหตุการณ์ไม่เอื้ออำนวยต้องไปปฏิบัติแบบพระไปอยู่แบบพระจะมีสถานที่ปฏิบัติที่ดีกว่าและมีเวลาที่จะปฏิบัติได้มากกว่านั่นเอง นี่คือขั้นของการทําทานเต็มที่สําเร็จการทําทานด้วยการสะสมบัติเข้าของเงินทองพอเราไม่มีเงินทองแลเราก็ไม่ต้องทําบุญทําทานอีกต่อไปแล้วเปลี่ยนการมาทําบุญจากการทําทานมาเป็นการรักษาศีลเป็นการปฏิบัติทำแทนทําอย่างเต็มที่รักษาศีลตลอดเวลาให้สะอาดบริสุทธิ์ แล้วก็นั่งสมาธิจเจริญปัญญาสลับกันไปตลอดเวลายกเว้นเวลานอนหลับพักผ่อนถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้แล้วไม่นานการบรรลุธรรมขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมานั่งที่พร ะ, พระสาวกและพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้บรรลุกันพอพระพระุทธเจ้าออกบวชแล้วก็ทรงปฏิบัติรักษาศีลได้อย่างสะอาดบริสุทธิ์ เกนั่งสมาธิก็ได้ฌานขั้นต่างๆแล้วพอไปค้นคว้าหาเหตุหาผลว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายพอพบแล้วก็ใช้ปัญญาเข้ามาทำลายความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุให้หมดไปจากใจพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจ ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ mm hmm. อหลังจากที่ทรงได้หลุดพ้นแล้วไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจแล้ว mm hmm. พระ อ, องค์ก็นำเอาผลที่ได้จากการปฏิบัตินี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้พ mm hmm. อพวกที่ไม่รู้พอได้ยินได้ฟัง แล้วน้อมนำาอาไปปฏิบัติก็สามารถบรรลุเป็นพระสาวกกันขึ้นมาได้หลุดพ้นจากกองทุก์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันได้แล้วหลังจากนั้นท่านก็มาเผยแผ่สั่งสอนจึงทำให้ศาสนาพุทธของเรานี้มีอายุยืนยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้เพราะว่ามีการศึกษาพราะธรรมคำสอน มีการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนมีการบรรลุทำขั้นต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติเมื่อได้บรรลุแล้วก็สามารถนําเอาทมที่ได้บรรลุนี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นเมื่อได้ยินได้ฟังก็นําเอาไปปฏิบัติตามบรรลุตามแล้วก็นํามาเผยแผ่ถ่ายทอดกันเป็นทอดๆมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ และถ้ายังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมและมีการเผยแผ่ธรรมอยู่ศาสนาก็ยังจะอยู่ต่อไปการอยู่ของศาสนาไม่ได้อยู่ที่ถาวรวัตถุไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ที่เจดีย์ที่วิหารที่วัดสิ่งเล่านี้เป็นองค์ประกอบของศาสนาตัวศาสนาที่แท้จริงก็คือ ทำทำของพระพุทธเจ้าที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบัติเนี่ยก็คือมรรคผลนิพพานหรือพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆเช่นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหรันนี่แหละเป็นธรรมที่แท้จริงเป็นตัวศาสนาที่แท้จริงพระศาสนามีพระอริยบุคคล ศาสนานี้จะไม่มีวันเสือ่อมแต่ถ้าศาสนาปราศจากพระอริยบุคคลมีแต่ถาวลวัตถุมีแต่โบสถ์มีแต่เจดีย์มีแต่ศาลามีแต่กุฏิแต่ในจิตใจของผู้ที่อยู่ในโบสถในเจดีย์นั้นไม่มีความสงบเลยมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจศาสนาก็ถือว่าหมดไป เพราะไม่สามารถที่จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีความทุกข์ได้นั่นเองผู้ที่มีความทุกข์ก็จะไม่เข้าหาพระพุทธศาสนาเพราะเฮาหาก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้เหมือนกับโรงพยาบาลที่ไม่มีหมอมีแต่ยามีแต่คนงานเช่นพานโรงคนขวาดถูอะไรต่างๆ เวลาคนไข่ามารักษาก็ไม่สามารถรักษาคนไข้ให้หายได้เมื่อไม่สามารถรักษาให้หายได้ก็ไม่มีใครจะมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ศาสนาก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลเ ป, เป็นที่รักษาจิตใจให้หายจากความทุกข์ต่างๆจะหายได้ก็ต้องมีพระอริยบุคคลเป็นผู้สั่งสอน ถ้าไม่มีพระ อ, อริยสั่งสอนก็เหมือนกับโรงพยาบาลที่ไม่มีหมอที่จบปริญญานี่เองอาจจะเป็นมีหมอตีหมอผีอะไรที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้อย่างแท้จริงดีไม่ดีทำให้คนไข้าตายเร็วกว่าเวลาอันควรเสียด้วยซ้าไปคนที่มารู้ว่ามาโรงพยาบาลนี้แล้วแทนที่จะหายกลับตายก็จะไม่มีใครมาคนที่เข้าหาพระาศาสนา ถ้ารู้ว่ามาแล้วกลับมาทุกมากกว่าดับความทุกข์ให้น้อยลงไปหรือหมดไปก็ไม่มีใครอยากจะมามาแล้วทุกเพราะถูกรีดถูกไถถูกหลอกถูกโกงอย่างนี้ก็ไม่อยากจะมากันแ้วต่อไปาศาสนาก็จะไม่มีใครศรัทธาไม่มีใครเลื่อมใสไม่มีใครจะสนับสนุนไม่มีใครอยากจะมาบวชมาศึกษามาปฏิบัติเพราะไม่มีใครสอนนั่นเอง ศาสนาในวันหนึ่งข้างหน้าก็จะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็จะต้องเสื่อมหมดไปแล้วก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาประกาศพระศาสนาใหม่มาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาใหม่ซึ่งก็ต้องเป็นเวลาอีกยาวนานอีกยาวไกลนี่คือเรื่องของภารกิจหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธถ้าพวกเราอยากจะได้รับประโยชน์ ให้กับตัวเราเองและให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราให้พร้อมให้สมบูรณ์คือให้เราศึกษาพราะธรรมคำสอนศึกษาแล้วให้เรานำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ให้เราเอาไปให้บรรลุให้ได้ก่อนถ้ายังไม่บรรลุอย่าเพิ่งไปเผยแผ่สั่งสอนเพราะจะไม่รู้เอาอะไรไปสั่งสอนนั่นเองเอาไปเผยแผ่ ต้องได้ผลก่อนเหมือนกับผู้ที่จะไปเป็นครูอาจารย์ทางโลกก็ต้องจบป ร, ริญญาก่อนเมื่อเรียนจบป ร, ริญญาแล้วก็ไปสอนหนังสือได้ถ้ายังเรียนไม่จบก็ไปสอนก็จะสอนแบบไม่รู้เรื่องสอนแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกผู้ที่ศึกษาก็จะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรต้องปฏิบัติให้บรรลุมากผลนิพพานก่อนบรรลุธรรมทั้งสี่ขั้น คือขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์ถ้าได้บรรลุธรรมทั้งสี่ขั้นแล้วก็จะสามารถสอนให้ผู้อื่นบรรลุธรรมทั้งสี่ขั้นนี้ได้อย่างง่ายดายอย่างถูกต้องแม่นยําผู้ที่ศึกษาก็จะสามารถบรรลุธรรมทั้งสี่ขั้นนี้ได้อย่างแน่นอนนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราทุกคน ถ้าเราอยากยังประโยชน์ของเราและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็ขอให้เรารีบทำกันเสียตั้งแต่บัดนี้เพราะเวลาไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่แน่นอนชีวิตของเรานี้ไม่รู้ว่าจะอยู่กันไปถึงไหนกันจะอยู่ไปได้กันอีกกี่วันชีวิตของพวกเราแต่ละคนนี้มีความสั้นยาวไม่เหมือนกัน งั้นเราต้องคิดว่าชีวิตของเราอาจจะสั้นก็ได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้รีบทําหน้าที่ของเราและเพื่อที่เราจะได้รับประโยชน์คือได้รับการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเราคิดว่าเรายังจะอยู่ไปอีกนานเราก็จะยังไม่ทํากัน แล้วพอเกิดมีอุบัติเหตุเกิดมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องเสียชีวิตไปแล้วก็จะเสียโอกาสงามนี้ไปอแล้วก็จะเสียชาติเกิดคือเกิดมาแล้วมาได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วแต่กลับไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเลยข้ามัวประมาทกันนั่นเองมัวผัดวันประกันพรุ่งเคิดว่าเ อ, อ้ยพรุ่งนี้ยังมีอยู่วันนี้ขอเที่ยวขอเล่นกัน ไว้รอให้แก่ก่อนนี้สักหน่อยค่อยเข้าวัดค่อยปฏิบัติกันกลัวว่ามันจะไม่แก่แสิกลัวมันจะตายก่อนแก่กันหรือกลัวว่ามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยจนไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้แต่ น, นำมาพึกเป็นนำมาพาดพี่คนพี่การไปต้องคิดแบบนี้ว่าโอกาสของเราที่จะปฏิบัตินี้มีน้อยมากตอนนี้มีให้รีบเร่งปฏิบัติกันเสียเถอเพราะถ้าเราตั้งใจปฏิบัติกันจริงๆนี้ ไม่ไม่ไม่กี่วันก็บรรลุได้ออพระพุทธเจ้าทรงรับประกันแล้วว่าถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเจ็ดวันก็บรรลุได้ออถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนออถ้าไม่เจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากออถ้าเราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญานี้รับรองได้ว่าจะ สำเร็จได้ภายในชาตินี้เลยจึงขอให้พวกเราจงอย่าประมาทกันให้รีบทำหน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของเรากันคือให้มันศึกษาแล้วเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ศึกษานี้ไปปฏิบัติกันเพื่อเราจะได้บรรลุผลของการปฏิบัติกันเมื่อเราได้บรรลุแล้วเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้บรรลุได้ต่อไปด้วยการนาเอา ความรู้ที่เราได้จากการปฏิบัตินี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นเราก็จะทำประโยชน์ของเรานะทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคือได้บุญสองต่อได้บุญจากการทำบุญให้กับตัวเราแล้วก็ได้บุญจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้บุญจึงขอให้ท่านจรงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษฐ์พิจารณาและไปปฏิบัติ เพื่อความสุขและความเจริญเพื่อบรรลุมรรผลนิพานเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด<ม>การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร<ม>ช่องต่อไปนี้ก็เป็นช่องถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถาม กาขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราจะถามตอบเฉพาะตอนที่เรายังประชุมกันอยู่เดี๋ยวถ้าเราเลิกประชุมแล้วก็จะของดการถามตอบปัญหาดังนั้นถ้าใครมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลยคำถามจากทางบ้านจากคุณนศะักดิ์นศะักดิ์ เราบริจาคอวัยวะและดวงตาไว้ที่สภากาชาติไทยตอนนี้ได้บัตรส่งมาแล้วดีใจได้บุญไหมคะยังหรอกเพราะยังไม่ได้ใหนะ้ตอนนี้เรายังใช้ตาใช้อวัยวะต่างๆอยู่ยังไม่ได้ให้เขาจะได้บุญยังไงเหมือนกับเราบอกพระว่าจะถวายเงินให้ร้านหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ให้เงินยังอยู่ที่เราอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่ได้บุญ ถ้าจะได้บุญก็ต้องให้เขาไปเลยเช่นบริจาคโลหิตอย่างเงี้ยได้บุญนะเพราะเราให้เขาไปเลยเข้าไปใช้ได้ถ้าอยากจะบริจาคตาก็แบ่งไปข้างหนึ่งเลยบริจาคไตก็แบ่งไปข้างหนึ่งเลยได้อย่างเงี้ยได้ถ้าบอกว่ารอให้ฉันตายแล้วค่อยเอาไปนี่ไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้เวลาตายแนละ้วว่าเราได้บริจาคหรือปเปล่าการบริจาคนี้เราต้องรู้ ว่าเราได้เสียสิ่งที่เรานกไปเราถึงจะได้บุญได้ความสุขแต่เวลาตายแล้วเราไม่รู้แล้วว่าเขาเอาร่างกายเราไปทำอะไรก็าอาจจะเกิดมาแย่งกันก็ได้ทางบ้านทางครอบครัวอาจจะไปฟ้องศาลให้ยุติการบริจาคก็ได้เราก็ไม่รู้อย่างนั้นมันไม่ได้แล้วถ้าอยากจะได้ต้องให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราเขียนพินัยกรรมไว้ ว่าจะยกให้คนนั้นคนนี้เราก็ยังไม่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญต้องให้ตอนนี้เลยตอนที่เรายังไม่ตายยกให้เขาไปเลยก็ไหนๆจะให้เขาอยู่แล้วทำไมต้องไปรอตอนตายด้วยนะก็สะแสดงว่ายังไม่อยากให้ถึงไม่ให้ให้เพราะว่ามันเก็บไว้ไม่ได้แล้วเอาไปไม่ได้แล้วถึงให้เขาแต่ตอนนี้ยังให้ยังเก็บไว้ได้ยังใช้ได้อยู่ไม่อยากให้ใครคถามจากคุณสวัย ทำอย่างไรจะเลิกกลัวแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วคะก็เราออกมาจากท้องแม่ไม่ใช่เลยเวลาอยู่ในท้องแม่มเหมนกลัวเลยถ้าทํำไมตอนนี้แม่ตายแล้วจะไปกลัวทําไ ม, ไมเหมืมีอะไรน่ากลัวท้องแม่ตอนที่ยังไม่ตายกับตอนที่ตายก็ท้องกันเดียวกันเลยจะมาทําอะไรเราได้ขนาดอยู่ในท้องแม่ก็ยังทําอะไรเราไม่ได้แล้วอยู่นอกท้องก็จะมาทำอะไรเราได้คําถามจากคุณฟลุ๊ก เถียงหรือขัดแย้งกับแม่เพราะหวังดีเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่ให้เขาดีขึ้นกลับปล่อยวางไม่ชี้แนะเพื่อไม่เกิดความขัดแย้งหรือทะเลาะอันไหนแย่กว่ากันครับเธอชี้แนะได้แต่ต้องมีการลาเทศะเช่นหมอหมอสั่งบอกให้บอกแม่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกแม่ไปอบอกแล้วก็จบ อย่าไปเขี่ยวเถียนอย่าไปบังคับนะแล้วก็ไม่ต้องไปถกไปเถียงกันถ้าแม่บอกฉันไม่ทำไม่ทก็จบเรื่องของแม่หมอเขาฝากให้มาบอกก็บอกไปตามที่หมอบอกก็แล้วกันนะเวลาไปหาหมอบางทีแม่หูไม่ดีฟังไม่เข้าใจหมอก็เลยสั่งให้ลูกมาบอกแม่อีกทีถ้าเราทําตามหน้าที่นี้ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเราจะมาคอยสั่งคอยจี้เหมือนกับเป็นแม่อันนี้ก็ไม่ควรเพราะเราเป็นลูกไม่ใช่เป็นแม่ถ้าเราอยากจะบอกอะไรกับแม่เราต้องขออนุญาตก่อนแม่ขออนุญาตบอกแม่หน่อยได้ไหมถ้าแม่บอกไม่ได้แม่อนุญาตก็ไม่ต้องบอก คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่หนึ่งการที่เรามีคนที่เคยสนิทด้วยทำร้ายความรู้สึกให้เราเสียใจมากสุดท้ายเราก็ห่างออกมาได้แล้วใจสงบลงแต่เขากลับมาติดต่อใจเรารู้สึกโมโหเวลานึกถึง ก, การกระทำในอดีต ทุกครั้งทั้งที่อยากให้อภัยตลอดแต่ความคิดเก่าๆทาให้เราทาไม่ได้เพราะเคยให้อภัยมาหลายหนก็เกิดเหตุการณ์ซ้าแล้วซ้าอีกควรมีวิธีคิดอย่างไรคะหรือควรไม่ติดต่อกับคนนั้นอีกอใจเราจะได้สงบจนกว่าจะมีสมาธิที่เข้มแข็งในการวางอุเบกขาเพราะสติเรายังอ่อนคะ่ะก็เจ็บแล้วต้องจำไง อันนี้ไม่ไมได้เป็นเรื่องความโกรธแค้นหรืออะไรเป็นเพียงแต่ว่าความเข็ดลาบเวลาเราไปจับของร้อนแล้วมันทำให้มือเราเป็นแผลเราขั้งต่อไปเราก็จะไม่กล้าไปจับแตะของร้อนอันใดเราพบกับใครแล้วทำให้ใจเราทุกข์มาก เราก็ไม่ไปคบกับเขาอีกนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการโกรธเกลียดกันแต่อย่างใดเป็นแต่เป็นการเรียนรู้เป็นการเข็ดหลาวว่าไม่เอาแล้วออย่าไปคบค้าสมาคมกับเขาดีกว่าคบแล้วมันต้องเจ็บช้ำน้ําใจไปคบกันทําไมออย่างนี้ไม่เป็นไรทําได้ไม่ได้เป็นการกรธเกลียด ข้อที่สองทำไมเราถึงรู้สึกเมตตาคนยากจนคนตกทุกข์ได้ยากจนอยากช่วยเหลือแต่กลับคนที่ทําให้เราเสียใจบ่อยๆทําไมเราถึงเมตตาได้ยากมากคะตัว เ, เขาไม่ยากจนมั้งเขาอาจจะรวยเขามีเงินมีทางมีกินมีใช้เราก็ไม่รู้จะไปสงสารเขาได้อย่างไร ถ้าเกิดเขาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราอาจจะสงสารเขาก็ได้เป็นอมภพอมภะนี่นนก็อาจจะสงสารเขาได้แต่ถ้าเขาเป็นปกติเขาไม่เดือดร้อนอะไรความสงสารมันก็ไม่เกิดคำถามจากคุณระเบียบ ทุกๆวันท่านบอกว่าทามาแก่ญาติโยมให้มีคุณธรรมให้มีเมตตาต่อกันจะอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพความสงบสุขทั้งกายและใจแต่ดูเหมือนว่าทุกคนได้ฟังแล้วไม่เอามาปฏิบัติการเลยค่ะก็ไม่ทุกคนบางบางคนเขาก็าไปปฏิบตัติบางคนก็ยังปฏิบัติไม่ได้เพราะลืมสติเขายังไม่ดีพอฟังแล้วเขาก็ลืม พอเข้ามาทำอะไรเขาก็ลืมเรื่องการแผ่เมตตาไปอันนี้ก็ต้องอาศัยการฟังบ่อยๆแล้วก็ต้องไปเตือนใจด้วยตนเองบ่อยๆเวลาที่เราสวดสัพเพสัตตนี่เป็นเวลาที่เราเตือนใจสอนใจเราต้องพยายามสวดบ่อยๆเตือนใจบ่อยๆแล้วเวลาที่เราไปเจอกับเหตุการณ์เจอกับบุคคลต่างๆเราจะได้ไม่ลืม แลาเราจะได้แผ่เมตตาให้ต่อกันละกันคำถามจากคุณอะตอมสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบตัติแต่อยากจะฝึกปฏิบัติที่บ้านควรวางพื้นฐานฝึกการปฏิบตัติเริ่มต้นอย่างไรถึงจะถูกต้องครับถ้าจะปฏิบัติสมาธิก็ต้องจเจริญสติก่อนต้องฝึกสติให้มีสติให้ใจมี อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆพยายามหยุดความคิดให้ได้ด้วยคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วถ้าเรามีสติเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้คำถามจากคุณปลายฟ้า กลัวงูเป็นอันมากแล้วเป็นต้องพบกันอยู่เรื่อยทั้งเวลาไปวัดหรืออยู่บ้านวันนี้กเ็เพิ่งเห็นหางผ่านลงท่อหัวใจแทบหยุดเต้นเจ้าค่ะขอเมตตาให้สติด้วยค่ะก็พุโทโธพุธโทโธไปเนี่ยเราไม่มีสติใจเราเลยไม่ไม่มีความหนักแน่นพอ เ, เห็นอะไรมันก็จะเกิดอารมณ์วู่วาบขึ้นมาทันที แต่ถ้าเรามีสตินี้มันจะทำให้ใจเราหนักแน่นแล้วจะเฉยเวลาที่เราเห็นอะไรต่างๆหมดแล้วน ะ, ะมีใครอยากจะถามยังไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามีทางบ้านตอนนี้เรายังถ่ายทอดสดทาง y o u t u ู e กับทาง Facebook อยู่ผู้ติดตามทางบ้านก็คงได้ส่งข้อความเข้ามาแล้ว ดันั้นก็ขอเชิญอาหารข้อความของผู้ที่อยู่ทางบ้านได้เลยครับคำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณวชิราพรนะครับช่วงนี้ภาวนาไม่ได้เลยเจ้าค่ะง่วงนอนตลอดแก้อย่างไรเจ้าคะนั่งสมาธิตัดเดียว ง, ง่วงเดินจงกรมได้แค่สองชั่วโมงก็ง่วงจนทนไม่ไหวทั้งทงที่นอนเยอะมากก็ต้องลดอาหาร ให้น้อยลงไปรับประทานอาหารให้น้อยลงไปแล้วก็หมั่นเจริญสติให้มากขึ้นถ้ามีสติใจจะตื่นจะไม่ง่วงแล้วถ้าเรารับประทานอาหารไม่มากเกินไปร่างกายก็จะไม่ง่วงต้องทำทั้งสองอย่างเจริญทั้งสติและไปลดอาหารลงเช่นกินมื้อเดียวหรือกินถึงแค่เที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่กินอย่างนี้มันก็จะช่วยแก้ความง่วงได้ แต่ต้องมีสติใจถึงจะเตือนถ้าไม่มีสติแล้วมันก็จะหลับได้แล้วมันจเจริญพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ อ, อยากขี้เกียจจอให้เร้วลกถึงพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆคำถามจะคุณพลพิทักษ์นะครับเราสามารถแก้กรรมได้ไหมครับออ ก, กรรมที่ทำไปแล้วแก้ไม่ได้เหมือนทำผิดกฎหมายแล้วแก้ไม่ได้ก็ต้องไปรับใช้โทษไป แต่เราสามารถที่จะสร้างบุญเพื่อมาทําให้ผลของกรรมนี้ไม่ไม่รุนแรงกับเราได้เหมือนกับเวลาถ้าเราจะตกลงมาจากที่สูงถ้าเราเอาเบาะหนาๆมารองไว้เวลาตกลงมามันก็ไม่ค่อยเจ็บเหมือนกับมันไม่จะแทกกับพื้นถ้าไม่มีเบาะเลยตกลงมาก็แทกกับพื้นแข็งๆมันก็เจ็บมาก ถ้าเราทำกรรมมาแล้วเราอยากจะลดความทุกข์ทรมานใจเวลาที่เราต้องรับกรรมก็ให้เราทำบุญกันเยอะๆทำบุญกันมากๆแล้วถ้าเราทำถึงบุญขั้นสูงสุดได้ใจของเราจะไม่ทุกข์กับวิบากกรรมต่างๆเลยเช่นถ้าเราได้เป็นพระอรหันต์นี่ใจของเราจะไม่ทุ ก, ก, กรราาข์ ก, กับความตายเลยใครจะมาฆ่าเราเพราะว่าเราไปฆ่าเขามาก่อนเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อน เช่นพระโมคคัลานะนี่ท่านก็เป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็ยังต้องใช้กรรมของท่านเกิดต้องถูกเขาฆ่าท่านก็ยินดีท่านไม่เดือดร้อนเพราะท่านไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ใช่เป็นตัวท่านท่านสามารถแยกร่างกายกับตัวท่านออกจากกันได้ดฉะนั้นเวลาร่างกายตายนี้ท่านเป็นจึงไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร น, นี่คืออ น, นิสงส์ที่เกิดจากการได้สร้างบุญขั้นสูงสุดได้เป็นพาาาระอรหันต์จะทำให้วิบากกรรมต่างๆนี้ไม่สามารถเข้ามาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราได้เลยคำถามจะคุณเจี๊ยบนะครับการบริกรรมต่างกับการกาหนดจิตอย่างไรคะเวลาเริ่มฝึกทาสมาธิเราจะใช้วิธีบริกรรม จนกว่าสงบแต่เมื่อเราชํานาญแล้วเราสามารถใช้การกําหนดจิตเข้าสู่ความสมาธิเป็นไปได้ไหมคะการกําหนดจิตไม่ใช่การบังคับจิตใช่ไหมคะแต่เปรียบเหมือนเส้นทางจิตที่เคยสร้างไว้ขอความกระจ่างด้วยคะ่ะการกําหนดจิตก็คือการมีสติหยุดความคิดนี่แหละถ้าเรามีสติเราก็ไม่ต้องใช้พุทธโธเพียงแต่ ดูความคิดแล้วก็หยุดมันไม่ให้มันคิดได้มันก็จบแต่ถ้าเราดูมาแล้วมันหยุดไม่ได้มันยังคิดต่อไปเราก็ต้องใช้พุทโธแสดงว่าสติเรายังมีน้อยมากเราก็เลยต้องสร้างสติขึ้นมาด้วยคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับพุทโธแล้วเดี๋ยวความคิดต่างๆก็จะสงบตัวลงจิตก็จะสงบเย็นสบายขึ้นมา คำถามจาคุณกรุงสยามนะครับเวลากลัวผีต้องทําอย่างไรจึงจะไม่กลัวอย่าไปนึกถึงผีให้ท่องพุโทโธพุโทโธไปให้ใจบริการพุโทโธอย่าไปคิดถึงผีแล้วเดี๋ยวพออยู่กับพุโทโธไปสักพักมันก็ลืมเรื่องผีไปความกลัวก็จะหายไปอันนี้วิธีแรกวิธีที่สองก็คือให้พิจารณาว่าอย่างมากก็แค่ตายเพราเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคน อย่างมากก็ต้องอย่างมากก็บรรจะททำร้ายเราได้ก็แค่ทำฆ่าเราเท่านั้นเองแต่ถ้าเรายอมรับความตายว่าไม่ช้ากันแล้วเราก็ต้องตายอยู่ดีพอเรายอมรับความตายได้ความกลัวก็จะหายไปอันนี้จะหายอย่างถาวรต่อไปเราจะไม่กลัวผีอีกต่อไป คำถามจะคุณสมชัยนะครับเมื่อสักครู่ได้ขับรถลงจากทางเขามานกบินมาชนตายต่อหน้า ต, ต่อตาเลยอย่างนี้บาปอย่างไรครับเออไม่บาปแล้วมันเป็นอุบัตติเหตุมันเป็นกรรมของนกมันถึงเวลาที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันก็เลยตายถ้ามันยังไม่ตายมันก็ยังไปเกิดไม่ได้ก็อาจจะเถอว่าเราช่วยมันให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้น แต่แล้วไม่ได้ทำด้วยเจตนาก็ไม่มีผลอะไรคำถามจากคุณพลพิทักษนะครับการที่เราไปไหว้ขอพรเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะได้ตามที่ขอไหมครับไม่ได้หรอกถ้าได้ก็ไม่ต้องมานั่งปฏิบัติการให้หลังหกหนังงอนอยากจะได้เ้วก็ขอเงี้ยป่านนี้ก็รวยกันทุกคนแล้วมีใครไม่อยากรวยบ้าง อยากรวยกันทุกคนขอกันทุกคนวันหวยออกนี่ขอกันว่อนกันไปหมดนะขอแล้วมันรวยกันหรือเปล่ามันไม่รวยหรอกถ้ามันรวยมันก็เป็นเหตุบังเอิญหรืออาจจะมีเหตุเดิมช่วยทำให้เกิดได้เช่นเราเคยทำบุญมาก่อนแล้วถึงเวลาที่บุญมันจะออกดอกออกผลมันก็ทำให้เราถูกหวยก็ได้อย่างนี้ก็มันก็มีมีส่วนแต่มันไม่ได้จากการที่เราไปขอหรอกเราไม่ขอมันก็ได้อยู่ดี เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเหตุที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้พระเาจ้าก็สอนว่าให้ทาบุญรักษาศีลภาวนาไปแล้วสิ่งต่างๆที่ดีต่างๆก็จะมาเกิดให้กับเราต่อไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับการที่เราถูกคนอื่นกันแจ้งโดนใส่ความแล้วไม่มีโอกาสได้แก้ตัว ถือเป็นกรรมของเราใช่หรือไม่คะจะถืออย่างนั้นก็ได้มันจะได้สบายใจหรือถือว่ามันไม่มีโอกาสก็รอหาโอกาสไปชี้แจงต่อไปก็ได้วันนี้ไม่มีโอกาสก็ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะไม่มีโอกาสตรงนี้ก็รอถ้ามีโอกาสก็ไปชี้แจงกันได้ถ้าทำได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ปลงไปมองว่า เ, ออเกิดมาแล้วมันก็ต้องเจออย่างนี้แหละ เราคงเคยไปทำอะไรไม่ไว้ไม่ดีผลไม่ดีต่างๆมือนจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราปรงได้ทำใจได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วถ้าเราให้อภัยเขาเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันและกันคนที่เขาแกล้งเราก็ถือเป็นกรรมของเขาใช่ไหมคะเราให้อภัยเขาเราก็ไม่ไปทำกรรมกับเขาไม่ทำเป็นเวรกับเขาแต่เราไปห้ามเขาไม่ให้มามีเวรมีกรรมกับเราไม่ได้ ถึงแม้เราให้อภัยเขาเขาอาจจะไม่ให้อภัยเราก็ได้เขายังอยากที่จะจองเวรจองกรรมต่อไปก็ต้องปล่อยให้เขาจองเวรจองกรรมไปจนกว่าเขาจะหมดหมดความอยากจองเวรจองกรรมเขาก็เลิกไปเองคําถามจ้าคุณบุปหานะครับถูกเขาโกงเงินไปจะทําอย่างไรดีครัก็ถือว่าเป็นการทําบุญทําทานไปแล้วจะมีความสุขอถ้าคิดว่าเขาโกงเราก็จะเสียใจ แต่ถ้าคิดว่าเป็นการทำบุญทาทานไปก็แล้วกันเราก็จะมีความสุขใจคำถามชจคุณชาติยานะครับนั่งพุโทโธสงบประมาณหนึ่งแล้วก็นึกพุโทโธไม่ออกมาให้ได้ยินในใจอีกมีให้เหลือสังเกตได้เฉพาะลมหายใจเย็นและภายในห่วงรู้สึกและเห็นคือ กายเราเป็นโพรงเบาหายใจเอาลมเย็นๆเข้าและเห็นเป็นเส้นบางๆเข้าช่องรูจมูกแบบนี้ใช้อุปจาระสมาธิหรือเปล่าเจ้าคะไม่รู้ว่าเป็นสมาธิแบบไหนคือถ้ามันสงบมันสบายก็ใช้ได้ถ้ามันไม่คิดไม่อะไรต่างๆมันนั่งเฉยๆแล้วมีความสบายใจก็ใช้ได้ เรานั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบให้เย็นให้เฉยไม่ให้มีอารมณ์ต่างๆถ้าไม่มีอารมณ์ใจเย็นใจสบายก็ถือว่าเราได้สมาธิในระดับหนึ่งแต่จะชื่อสมาธินั้นชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันลองถามมันดูเสียว่านี่สมาธิขั้นไหนแล้วมาถามเราทาไมเจอมันแล้วก็ถามมันสิพระอาจารย์ครับผู้ที่ได้ มาเกิดเนี่ยเป็นระดับผู้นําประเทศหรือระดับพระมหากษัตริย์นะครับทําไมบางท่านถึงอเอาผู้นํานะครับทําไมบางท่านเนี่ยถึงเกิดมาบางทีถึงเป็นคนไม่ดีบางคนถึงเป็นคนดีแล้วถ้าเขาไม่ดีทําไมเขาถึงได้มาเกิดเป็นระดับผู้นําครับราอาจารย์อมันมีหลายสาเหตุมันไม่ใช่เกิดจากการมีบุญอย่างเดียวมันมีเหตุอย่างอื่นที่จะทําให้มาเกิด แล้วมาเป็นผู้นําได้เช่นมาเกิดแล้วมาศึกษามาทํามาเรียนรู้อะไรต่างๆแล้วไปเข้าสู่กระบวนการที่จะนําไปสู่การเป็นผู้นำมันก็เป็นผู้นําได้งั้นวิธีการจะเป็นผู้นํานี่มันไม่ได้เกิดจากการเป็นคนดีเพียงอย่างเดียวคนที่เป็นคนไม่ดีก็เป็นผู้นําได้เช่นบางยุคบางสมัยอาจจะต้องเอาคนไม่ดีมาเป็นผู้นํา ต้องทำสงคารามต้องฆ่าฟันกันคนดีก็ไม่ชอบทำสงคารามไม่ชอบฆ่าฟันเนี่ยก็ต้องเอาคนที่ชอบฆ่าฟันกันมาเป็นผู้นำนเขาก็เขาก็เป็นคนเป็นผู้นาขึ้นมาได้อเขาก็มีจิตใจที่โหดร้ายทารุณถ้าใครมาขัดขวางเขามาทำให้เขาไม่พอใจเขาก็า จ, จะทำร้าย ผ, ผู้คนเหล่านั้นได้ ดงนั้นการที่จะเป็นผู้นำผู้หลักผู้ใหญ่นี่มันไม่ได้เกิดจากการทําบุญอย่างเดียวแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้อยากไปเป็นผู้นำเพราะพระพุทธเจ้านี่อยากจะเป็นคนดีมากกว่า ต, ตอนที่ทรงประสูตรนี่ก็มีการทํานายว่าถ้าอยู่ในโลกก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิแต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้า ในิจใจของพระพุทธเจ้าไม่อยากจะทําสงครามไม่อยากจะฆ่าฟันนะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนดีมีศีลมีธรมรมก็เลยไม่ไปทางมหาจักรพรรดินีถ้าเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมโหดร้ายทารุณก็สามารถที่จะออกไปทําสงครามไปยึดครองดินแดนของผู้อื่นได้ทําให้ขยายอาณาจักรให้กว้างใหญ่ไพศาลด้วยได้ด้วย ด้วยพลังด้วยความรู้ความสามารถในการทำสงครามแต่ก็เป็นคนที่ไม่มีศีลเพราะคนคนที่จะไปทำสงครามนี้ก็ต้องไปฆ่ากันนั่นเองดังนั้นถ้าเป็นคนดีจริงๆเขาจะไม่มาเป็นผู้นานอกจากมาเกิดเป็นในเป็นลูกของผู้นานี้เป็นไปได้เป็นคนดีอย่างพระพุทธเจ้าก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นลูกของกษัตริย์ แต่ใจของท่านไม่มีความอยากเป็นกษัตริย์ใจของท่านอยากจะเป็นนักบวชอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนมีศีลมีธรรมท่านก็เลยไปออกบวชค่ะคำถามข้อต่อไปจากคุณบ b บี m ฟ l y นะครับ นั่งบริกรรมพุทโธก่อนนอนทุกคืนจนเบาแล้วพุทโธหายไปแล้วมีเสียงในใจขึ้นมาเหมือนถามตัวเองว่าวันนี้มีความโลภโกรดหลงของตนเองเรื่องอะไรในวันนี้บ้างมีความอยากใช้ชีวิตประจำวันเรื่องอะไรบ้างแล้วตัดเรื่องออกทีละอย่างแบบนี้เป็นการเจริญปัญญาไหมคะ ผิดหรือถูกอย่างไรรบกวนชี้แนะก็เป็นการศึกษาทบทวนพฤติกรรมของตนว่าวันนี้ได้ทําอะไรมาบ้างเพื่อที่จะได้แก้ไขจะเรียกว่าเป็นปัญญาก็ได้แต่เป็นปัญญาระดับพื้นฐานยังไม่ได้เป็นระดับสูงคือระดับวิปัสสนาก็มีไว้สําหรับที่จะได้ทบทวนแก้ไขบทบาทของตนเอง ถ้าวันนี้โลภ ก, ก็พยายามตัดมันเสียถ้าโกรธก็พยายามตัดมันเสียอย่าไปทําซ้ําอีกอะไรทํานองนี้มันก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งเหมือนกันคําถามจากคุณโมนีนะครับคนที่เอาหมาแมวที่เคยเลี้ยงไปปล่อยจะได้ผลบาปอย่างไรคะก็ต่อไปก็คงจะต้องถูกเขาทอดทิ้งเหมือนกันที่เราทอดทิ้งเขานื้อเราทอดทิ้งใครต่อไปลาจะต้องถูกเขาทอดทิ้งก็ได้ ต่อไปเกิดไปเป็นหมาก็อาจจะไม่มีเจ้าของที่รักเราก็ได้เจ้าของก็อยากจะเอ า, เ, อาเราไปทิ้งไม่อยากจะเลี้ยงเราคาถามชากุณปาณีนะครับการที่เราสั่งอาหารที่ร้านเพื่อไปถวายพระเราจําเป็นต้องระบุว่าเป็นแกงหมูไก่ปลาปูอย่างนี้ถือว่าผิดศีลข้อปานาไหมคะถ้าเป็นของตายแล้วไม่ผิดศีลเนี่ยถ้า ถ้ามันเป็นแกงอยู่ในหม้อเขาทำมาสําเร็จแล้วมีแกงปลาแกงเนื้อแกงเป็ดอะไรแล้วก็สั่งได้เอาแกงนี้นะเอาแกงนั้นนะอย่เวลาไปถวายพระไม่ต้องพูดอะไรก็ประเคนถวายท่านไปก็แล้วกันไม่บาปคือถ้าเราไม่ไปสั่งให้เขาฆ่าเช่นเขายังไม่ได้ฆ่าเราสั่งว่าเดี๋ยวช่วยทําแกงไก่ให้ให้หม้อหนึ่งนะเอาไก่สดๆเอาไก่ที่ยังไม่ตายนะถ้าสั่งอย่างนี้บาป แต่ถ้าเขาทําเสร็จแล้วเราไม่ได้สั่งเขาเราไม่ได้ทําเองอันนี้เราไม่บาปคำถามหมดครับอาจารย์มีใครอยากจะถามอยูไ่ไหมกราบนมัสการค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์โยมอยากจะถามพระ อ, อาจารย์ค่ะ ว่าถ้าเราปฏิบัติจนกระทั่งมันได้ความสงบเย็นในใจแล้วเราต้องภาวนาพุทโธอีกหรือไม่คะถ้ามันเย็นมันสงบมันไม่คิดอะไรหยุดพุทโธก็ได้แล้วก็ดูสติควบคุมไป<ห>ควบคุมไปอย่าให้ใจคิดอะไรให้นิ่ ง, งๆเฉยๆไปนานๆถ้าความคิดเกิดขึ้นเราก็ดับใช่ไหมคะเดี๋ยวมันเสียพุทโธต่อโือถ้าหยุดมันได้โดยไม่ต้องพุทโธก็ไม่ต้องพุทโธ ถามันไม่ยอมหยุดแกก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมันทำอย่างนี้บ่อยๆทำไปเรื่อยๆให้มันชำนานจนสามารถให้มันอยู่เฉยๆได้ตามเวลาที่เราต้องการแล้วขั้นต่อไปค่อยไปคิดทางปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางปล่อยวางร่างกายของเราว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเป็นดินน้ำลมไฟไม่ต้องไปยึดไปติดไม่ต้องไปเสียดาย แล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันอันนี้ท่านต่อไปหลังจากที่เรามีความสงบสามารถรักษาความสงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการหมดแล้วเหรอมีมาข้อหนึ่งแต่เหมือนเป็นคำปรึกษาเลยครับจากคุณสิริพรนะครับทำไมคนที่ยืมเงินเราแล้วไม่คืนเพราะอะไรเจ้าคะเพราะเขาไม่มีให้นะนี <laughs> หรือเขาหลอกเรานั่นสิหรือเขาไม่ตั้งใจจะคืนเราอยู่แล้วเขาหลอกเราโกหกเราเพราะเขาเขาอยากจะเก็บไว้ใช้เองดังนั้นขอให้คิดว่าเงินที่ยืมเป็นเหมือนเงินที่ทำบุญหรือว่าเงินที่ถูกขโมยไปก็แล้วกันแล้วเราจะได้สบายใจถ้าเราคิดว่าให้ เขาจะให้คืนเราเราก็จะรออยู่นั่นรออยู่นั่นทุกครั้งที่คิดถึงเงินที่เขายืมไปก็จะไ ม, ไม่ไม่สบายใจทุกครั้งที่คิดถึงคนที่ยืมเงินก็จะโกรธเขาเพราะฉะนั้นอย่ามาสร้างความทุกข์ให้กับเราสองต่อเลยเสียเงินก็ต่อหนึ่งเราอย่ามาเสียใจอีกต่อหนึ่งเงินเป็นของภายนอกเสียได้เสียไปแต่ใจนี้เราอย่าเสียดีกว่า อย่าเสียด้วยการคิดให้มันถูกคิดว่าเป็นเงินที่ถูกขโมยไปก็แล้วกันเราจะได้ไม่หวังเอาคืนมาหรือถ้าจะคิดให้ดีกว่านั้นก็คิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปการใช้หนี้ใช้กรรมไปก็ได้ชาติก่อนเราอาจจะเคยไปยืมเงินเขาแล้วเราไม่คืนเงินให้เขาก็ได้ชาตินี้เขาเลยต้องมาเอาคืน ถ้าเราคิดอย่างนี้แนละ้วเราก็จะไม่เสียใจเสียเงินไปก็กลับมีความสุขใจเหมือนกับวันนี้ญาติโยมก็เอาเงินมาเสียกันแต่ทําไมไม่เสียใจกันเพราะยินดีที่จะเสียเพราะทำแล้วมันมีความสุขใจได้บุญบุญก็คือความสุขใจบุญที่เกิดจากการยินดีที่จะเสียเข้าของเงินทองของเราไป ดังนั้นเวลาเราเสียอะไรไปต้องเปลี่ยนใจของเราอย่าไปเสียใจอย่าไปเสียใจต้องบอกดีใจดีใจว่าได้ทำบุญดีไม่ต้องมาถึงวัดมีคนมาทำที่บ้านเราเลยมาให้เราทำที่บ้านเราไม่ต้องเดินทางมาวัดให้เหนื่อยเปล่า จากคุณดนนี่นะครับเป็นคำขอนะครับขอพระอาจารย์กล่าวเตือนสติคนไทยกับข่าวที่แชร์กันทางโลกออนไลน์ที่จะชักจูงไปต่างๆนานาด้วยครับก็ตามที่พระเจ้าทรงสอนว่าอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้ยินได้ฟังอะไรให้ค่้ควรพิจารณาให้รอบครอบก่อนว่าจริงหรือไม่จริงเป็นคุณหรือเป็นโทษ ถ้าไม่จริงเป็นโทษก็อย่าไปสนใจโยนทิ้งไปถือว่าเป็นเหมือนเศษขยะถ้าเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นความจริงก็ก็เป็นเหมือนเพชรนินจินดาก็เอาไปแจกจ่ายให้กับผู้อื่นต่อไปเช่นธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นความจริงมีคุณมีประโยชน์มากทำไมไม่แชร์กันทำไมเอาคำพูดของพวกโกหกปากโกหกทั้งหลายามาแชร์กันดัง้วเราต้อง ใ ช, ใช้ปัญญาข่าควรก่อนอย่าไม่ใช่พอ ร, รับอะไรมาปุ๊บก็ส่งต่อไปเลยแชร์กันไปเลยแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ที่ถูกาพาดทิงก็ได้แล้วอาจจะกลับมาเสียหายกับตัวเราถูกฟ้องร้องจับขังคุกก็ได้เนยั้นต้องมีความรอบคอบต้องพิจารณาข่าควร ให้ดีก่อนก่อนจะทำอะไรก่อนจะพูดอะไรคิดให้ดีก่อนว่าพูดไปแล้วทำไปแล้วจะเกิดโทษและเกิดประโยชน์ถ้าเกิดโทษก็อย่าพูดดีกว่าถ้าเกิดประโยชน์ไม่มีโทษก็ทาไปพูดไปได้พระอาจารย์ครับจริงหรือไม่ครับที่เขาพูดกันว่าเวลาเราโกรธเราเกลียดใครหรือเราแชร์เรื่องต่างๆเนี่ยแล้ว เ, เราไปด่าเขาไปว่าเขาเนี่ยมันเป็นการสร้างภพภูมินรกให้เกิดในใจเรา แน่นอนใจเราร้อนเนี่ยใจเราโกรธนี่ใจร้อนความร้อนใจนี่ก็คือนรกแล้วแล้วเราทำบ่อยๆเข้ามันก็จะสะสมไว้ในใจพอเวลาตายไปความร้อนเหล่านี้มันก็จะปะทุขึ้นมามันก็จะทําให้ใจเราเป็นนรกขึ้นมานรกสวรรค์นี้ไม่ได้เป็นสถานที่เนะี่ยมันเป็นสถานภาพของใจเราถ้าใจเราเย็นก็เป็นสวรรค์ถ้าใจเราร้อนก็เป็นนรก คำถามจากคุณจักรพง์นะครับถ้าคนที่ป่วยแล้วรู้ตัวว่าจะตายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะต้องวางใจอย่างไรครับที่พร้อมจะตายเพื่อไปสู่สุขติภูมิก็ต้องปล่อยวางปล่อยวางร่างกายอย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากให้มันอยู่อย่าไปอยากให้มันหายมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยมันไปแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ ใจก็จะสงบก็จะไปสู่สุขคติคำถามจะคุณปุ้ยนะครับทำงานร้านอาหารต้องเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้ลูกค้าถือว่าผิดสีห้าไหมคะ เ, ออเราไม่ดื่มเองไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าเป็นอาชีพที่ไม่เป็นสัมมาชีพคือเรามาขายสุราหรือมาเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ผู้อื่นเ็ดื่มสุรา เพราะสุรานี้มันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณคนที่ดื่มสุราแล้วเดี๋ยวก็มึนเมาแล้วก็จะไปทำบาปทำกรรมต่อไปได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ดืม่มเพราะคนที่ดื่มแล้วจะไม่มีสติประคับประคองใจมีอารมณ์อะไรก็จะทำตามอารมณ์นั้นเลยแต่ถ้ามีสติก็ยังจะหักห้ามจิตใจไม่ให้ประทำตามอารมณ์ต่างๆได้การที่เรามาเสิบ ม, มามีอาชีพ เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสุราอันนี้ก็เป็นอาชีพที่ไม่เหมาะไม่เป็นสัมมาชีพถ้าเปลี่ยนได้ก็ควรจะเปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ก็ทำต่อไปวันอาจจะกลับมากระทบเราก็ได้ลูกค้าที่เมาแล้วอาจจะมาแตะต้องเนื้อต้องตัวลวนลามเราก็ได้ถ้าเราเป็นหญิงเ mm. ออแล้วถ้าเป็นชายก็อาจจะด่าเราว่าเราก็ได้แล้วเขาเมาแล้วเขาหม่นไส้เรา เขาก็ไม่มีสติที่จะประครับประคองใจหากห้ามการคิดการพูดการกระทําของเขาผลมันก็จะกลับมาหาเราผลเสียมันก็จะกลับมาหาเราถ้าเราไม่ทํางานนั้นที่ไม่มีจำํำนายโชฬาก็จะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเราคําถามหมดครับหมดเ้าก็หมดแรงคนนีเ อ, อามีแล้วเอาว่ า, างแล้วโยมตอนนี้ก็ปฏิบัติ ปฏิวัติไปได้ดีนะคะสงบดีค่ะแต่ว่ามันมีสิ่งเข้ามารบกวนนะคะซึ่งมันทำให้เราตกใจฮะยกตัวอย่างเมื่อสามสี่วันวันนี้พอยมนั่งนั่งเสร็จนะฮะนั่งสมาธิเสร็จก็ไปเอนตัวลงนอนเนี่ยหลับตานะคะ เอียงไปเนี่ยไปพบใครก็ไม่รู้เหมือนมอนสเตอร์นะตัวดำปี๊ดมีขนเต็มเต็มตัวเลยหน้าตาก็เป็นมนุษย์เนี่ยนะเพรามันนอนอยู่ข้างๆมาจ้องหน้านะยมงวตกใจมากเลยไล่ไปซะบอกออกไปออกไปนะฮะแล้วแล้วก็เล้วเปิดเปิดตาขึ้นมาก็ไม่มีอะไรนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย คือเขาจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะเพราะเคยเกิดมาเกิดมาแล้วสองขนสักหลายเดือนมาแล้วค่ะ น, นี่มันขนที่สามเพราะฉะนั้นทำไงจะไม่ให้ของพวกนี้มารบกวนเราได้นะอ๋อมันห้ามันไม่ได้หรอกมันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศมันจะตกก็ตกแต่สิ่งที่เราทําได้ก็เตรียมใจเรารับกับมันบอกใจว่าเป็นของหลอกของปลอมทั้งนี้นเป็นภาพหลอ น, นก็ไม่มีอะไร ให้มันมาตามมันอยากจะมาให้มันมามันเป็นภาพหลอนภาพหลอกใจเราท่านเองถ้าเรารู้แล้วเราไม่กลัวมันมันก็หมดปัญหาไปถ้าเรายังกลัวมันอยู่มันก็จะอยากให้มันไม่มามันเราก็จะทุกข์แล้วเราก็พยายามหาวิธีที่จะทำให้มันไม่มาก็ไปห้ามมันไม่ได้เห็นต้องปล่อยมันมามันจะมาก็มาสิเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันทำอะไรเราไม่ได้อ่คือว่า คือว่าตอนตอนที่เราเห็นป๊าก็ตกใจเนี่ยค่ะมันไม่ดีก็ดีเราจะได้ฝึกสติให้ดีก็งเ้ฮแต่เราคุมได้แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวอะไรไม่รู้ต่อไปเราต่อไปเราไปเจออะไรเราจะได้ไม่ไม่กลัวไงเออห้ามไม่ได้เหรอเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าภายนอกภายในต้องอต้องทําใจอย่างเดียวตเตรียมใจไว้นะสักแต่รู้อย่างเดียวขอบคึ้นะเอาแล้วนะ